เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับรองอย่างนี้แล้วครูหาบดีก็กราบทูลว่าการที่จิตของยะสักุลบุตรพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนั้นเป็นลาบของยะสักุลบุตรแล้วยะสักุลบุตรได้ดีแล้วพระพุทธเจ้าค่าชื่นชมเลยนะว่าโอ้โหดีจริงนะถ้าทําได้อย่างนี้ดีจริงๆริงพุทสะโลกธรรมเมหิจิตตังยส า, านกรรมปฏิอโศกังวีระชังเขมังเอตมังกัลมุตตมังท่านเห็นด้วยเลยนะว่า ยศกุลบุ ต, ตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นผู้ที่มีจิตไม่หวั่นไหวในโล ก, กธรรมทั้งแปดไม่มีโล ก, กธรรมเหลา่าใดที่จะทําให้จิตของท่านหวั่นไหวอีกต่อไปไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้ท่านเศร้าโศกอีกต่อไปจิตของท่านปราศจากธุลี จ, จิตเป็น จ, จิตที่กเกษมเป็น จ, จิตที่ปลอดภัยเพราะเป็น จ, จิตที่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะเป็นอรหัตตผลจิตผู้ที่เข้าถึงระดับอรหัตตผลจิตเนี่ยไม่มีอะไรที่จะได้ดีกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะ ท่านได้ดีจริงๆเยนะยินดีด้วยนะเป็นลาบของท่านท่านได้ดีอนุโมทนายินดีด้วยนะแต่ก็ขอพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระยศะกุลบุตรเป็นตัดฉาสมณะทรงรับพระตาหารของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดเนี่ยนะก็นิมนต์ไปฉันทั้งสองรูป พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงรับโดยดุษนียภาพครั้นเศรษฐีผู้เครือ่าย บ, บดีทราบการรับนิมนต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทาประทักษิณแล้วกลับไปกาละเมื่อเครือข่ บ, บดีเศรษฐีเนี่ยนะกลับไปแล้วไม่นานยะสักุระเบิก็ได้ทูลคำนี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค้า ขอข้าพระองค์พึงได้บรนประชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วก็ตรัสต่อไปอีกว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิดพระองค์จะไม่พูดแบบผู้ที่บวชให้กับพระเสขนะถ้าบวชให้พระเสขทั้งหลายเช่นบวชให้พระัญยาโกณธัญญะเนี่ยพระองค์บอกว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิด แต่ปอตรงนี้บอกว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เธอก็บอกแค่นี้บอกว่าเพื่อทําที่สุดแห่งทุกจะไม่บอกเพราะว่าท่านทําที่สุดแห่งทุกเสร็จแล้วเพราะท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วด้วยพระวาจานั้นแลก็เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุนั้นก็บริหาร8ก็เกิดขึ้นแก่ท่านผมก็เหลือเป็นไม่เกินสองนิ้วแล้วก็บริหาร8คือบาดจีวรที่สําเร็จด้วยฤทธ์ก็มีขึ้นถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าผู้ที่ถวายบริหาร8 ในผู้มีศีลเป็นต้นเอาไว้ในอดีตนั่นเองเนี่ยนะก็คือถวายบริขาร8การถวายบริขาร8ถวายไตรจีวรเนี่ยนะไตรจีวรบริขาร8ก็คือผ้าไตรจีวรบาดแล้วก็เข็มท ร, รมัตกรกเครื่องกรองน้ํารัตปะคตเป็นต้นเนี่ย ผู้ที่ถวายบริขาร8ดเหล่านี้เนี่ยก็บอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็บุญเหล่านี้ให้ผลก็จะสําเร็จเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยเครื่องประดับเช่นมีมหาลดาปราสาทเป็นต้นถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยชาติสุดท้ายก็จะได้บวชเอหิภิกขุอุปสัมบทาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอันนี้เป็นอานิสงค์ของการถวายผ้าตรายจีวรเป็นอานิสงค์ของการถวายบริขาร8ดเนี่ยนะ ตอนนั้นนะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกเจดองเจ็องก็คือพระพุทธเจ้าพระปัญจวัคคีทั้งห้าแล้วก็พระยศะะกุลบุต ร, รวมเป็นเจ็ดองด้วยกันขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอันตรวาศกถือบาจีวรมีท่านพระยศะะเป็นปัจฉาสมณ ะ, สะเสด็จพระพุทธดาเนินไปสู่นิเวศของเศรษฐีผู้ครหบดีครั้นถึงแล้วก็ประทับนั่งเหนือพุทธาฏที่เขาปูละถวาย ลำดับนั้นมารดาและพระยาเก่าของท่านพระยศก็พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสอนุปุปพิกาาแก่นางทั้งสองแสดงประกาศทานนกากาักถาศีลกาถาศักขคกถาโทษความต่ําสามความเศร้ามองของกามทั้งหลายแล้วก็แสดงอ น, นิสงฆ์แห่งเนคขมะ เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่านางทั้งสองมีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปล่อยจากนิวรมีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสก็ประกาศอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือประกาศทุ ก, ป ร, ก, ทกประกาศทุกขสมุทัยประกาศทุกขเนโรประกาศทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาดวงตาเห็นธรรมที่ปราศจากทุลีคือโสดาปติมักเนี่ยนะปราศจากมนทิน คือคือโสดาปฏิมรักก็เกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลร้วนาแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็เห็นอริยสั์เกิดขึ้นแก่นางผู้นั่งอยู่ณที่นั้นแลดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรได้รับน้ําย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้นก็และแห่งก็กล่าวว่าแม่ของพยศ ก, ก็คือนางสุชาดานั่นเองนะแม่ของพยศะ ก, ก็คือนางสุชาดาที่ไปแต่งงานกับเศรษฐีเมืองพาราสี ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เห็นอริยสัจเนี่ยนะมารดาและพระยาเก่าของท่านพระยศักดิ์ได้เห็นธรรมแล้วคือเห็นอริยสัจแล้วได้เห็นได้บรรลุอริยสัจแล้วได้รู้แจ้งอริยสัจแล้วมีอริยสัจอันตนอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสัยเป็นผู้ถึงความเป็นผู้แกล้งไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักพาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะยิ่งนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ หม่อมชันทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระพิสุสงิ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจําหม่อมชันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสารณะจําเดิมแต่วันนี้ตลอดไปเนี่ยนะเป็นประเภทอัตตสันนิยตนะะเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระัตนะไตรสละชีวิตเพื่อพระรัตนะไตรเนี่ยนะก็อ<ไห>อบอกโอ้ยมันจะเกินไปมากบอกแค่เป็น<ไ>ทหารนี่ก็สละชีพเพื่อชาติแล้วนะกพูดคําเหล่านี้ก็ยัง ก็ยังพูดและใช้โรเรืองเป็นทหารเป็นอะไรก็เขายัางพูดกันอย่างนี้จะกล่าวไปยายถึงเครียกว่าผู้ที่เกิดด้วยอริยสัจธรรมเนี่ยนะเกิดด้วยการบรรลุมรรคผลนี่เรียกว่าถือว่าอย่างสละชีพเพื่อชาติเนี่ยนะเพื่อประเทศชาติเขาก็ยังทํากันใช่ไหมอันนั้นแล้วถามว่าแล้วชาติอริยะล่ะผู้ที่เข้าถึงชาติอริยะหรืออริยชาติเนี่ยนะยะโตหังปัตินีอริยะอานาที่ทพระ อะไรนะพระองคุลิมานียะโตหางพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสัญจิจปานังชีวิตาโวโรเปตานี่นะตัอย่างได้อริยชาติก็คือเกิดโดยอริยชาติผู้ที่เกิดโดยอริยชาติคือบรรลุเป็นพระอริยเจ้ามันก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถวายชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าสละชีพเพื่อชาติทางั้นสละชีพเพื่อชาติเพราะตัวเองเข้าถึงชาติอริยะผู้ที่ให้กำเนิดในชาติอริยะก็คือพระพุทธเจ้าและพระธรรมและตัวเองก็เป็นพระอริยเจ้า มันพระเรียเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ที่พักดีต่อพระพุทธเจ้าตลอดไปเนี่ยนะเป็นผู้ที่พักดีต่อพระพุทธเจ้าตลอดไปเพราะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าสุดที่ประมาณสุดที่จะพูดอย่างที่ว่าผู้ใดช่วยให้เราพ้นนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานพ้นจากวัฏถุทุกพ้นจากสังสารทุก์เนี่ยเราควรจะ ทีเรียกว่าอะไรนะให้อะไรแก่ท่านจริงจะพอว่างั้นให้อะไรแก่ท่านจริงจะพอเพราะท่านยังบอกว่าขอเอางี้ก็แล้วกันขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเรียกว่าขอมอบกายถวายชีวิตหรือว่าอุทิศชีวิตนี้แด่พระรัตนะไตรนั่นแหละก็ถือว่าเป็นสุดๆแล้วก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายจะมีอะไรรักเสมอด้วยกับชีวิตก็ถือว่าสิ่งที่ตัวเองรักที่สุดนี่แหละมอบถวายแด่พระรัตนะไตรนี่นะ ก็มารดาและภรยาเก่าของท่านพระยศก็เป็นอุบาสิกากล่าวอ้างพะรตนาไตรชุดแรกในโลกนะแต่ก็เป็นอุบาสิกาที่ตรัสรู้หลังอุบาสิกาอีกคนหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ถึงพะรตนาไตรชุดแรกของโลกครั้งนั้นมารดาบิดาและภรยาเก่าของท่านพระยศได้อังฆาคือถวายของประเคนของแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าและพระยศด้วยขาชนียะโภชนิยหาหอันประณี ด, ด้วยมือของตนของตน จนได้ห้ามพัดเนี่ยนะจนพวกบอกว่าพอแล้วเนี่ยนะก็ไอ้ที่จะอ้อนวอนให้กลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องก็ไม่มีเพราะทุกคนเห็นอริยสัจกันหมดทุกคนจะอนุโมทนายินดีแสดงความยินดีด้วยกันทั้งหมดสิ้นเชิงเนี่ยนะก็จะไม่มีคําว่าอะไรนะแบบลักษณะแบบเอะโวยวายบวชได้ยังไงเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วข้าบเหล่านี้ใครจะดูแลก็ไม่มีแล้วเพราะว่าผู้ที่เห็นอริยสัจด้วยกันก็ไม่ได้ถือว่าโพทอข้าบทั้งหลายมันจะดีเกินไปเนี่ยนะ เพราะว่าที่สุดแห่งโภกศัพท์ถ้าบุคคลที่ดูแลไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็นํามาซึ่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแต่ถ้าหากว่าขืนบอกว่าเออพยศะศึกมาเธอซึ่งมาเป็นคารวาเพราะอะไรบอกว่าโภกขัพท์มากเหลือเกินดีท่านก็จะพูดแบบพระรัฐบาลนลั่นแหละอาว่าพูดยังไงบอกว่ า, าจะจ ะ, จะเล่าให้ฟังว่า ง, งั้นเพราว่าเขาก็มีครั้งหนึงเขานีมนพระรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นท่านบรรลุเป็นท้าวทหารแล้วกลับไปบ้านไปเยี่ยมบ้าน จะไปสงเคราะห์แม่พ่อแม่ก็เลยคิดว่าเออทำไงให้ลูกสึกดีเอางี้ก็แล้วกันก็เอาคนเอามรดกมากองกองไว้เอาเงินกองเงินกองหนึ่งเอาทองกองทองแท้แท่เงินแท้แท่เนี่ยถามว่าสูงขนาดไหนสูงขนาดเรามองไม่เห็นกันกั น, ลกนแล้วกันะแล้วเอาเสือลาแพนมาปิดไว้ก็มานั่งปูอาสนะเอาไว้แล้วก็นิมนต์ท่านมานิามนต์ท่านมานั่งบอกว่านี่กองเงินกองทองของท่านเหมกัน ศึกมาเธอเนี่ยมันทำบุญก็ได้อะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเธอว่างง้นเนี่ยสะสมมากี่ชั่วบรรพบุรุษมาแล้วเนี่ยนะก็เล่าความหลังประวัติเก่าแก่ของทรัพย์ที่หามาได้ให้ฟังทั้งหมดเขาบอกว่าเอาฟังไหมจะแนะนําให้ว่างง้นเอวาาเอว่ามาเถอะว่ามาเถอะเอางี้นะบรรทุกเกวียนเลยเอาเอาเอาเกวียนมาใส่เลยขนใส่เกวียนให้หมดให้หมดแล้วก็นู่นน่ะขับเกวียนไปโยนลงในแม่น้ําให้หมดเลย เอาลูกทำไมลูกพูดอย่างนี้บอกก็ไม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงเพราะว่าท่านจะต้องโศกปริเทวะทุกโทมานั้อุปายาจากทรัพย์เหล่านี้เท่าใดมาในการที่ถ้าท่านเอาไปทิ้งอย่างนี้ท่านต่อไปท่านก็ไม่ต้องเลิกโศกเพราะไอสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเนะี่ยนะโอ้เลิกคุยเลิกคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเขากันแม่ก็เลยบอกคุยกันไม่รู้เรื่องไปเรียกลูกสะพ้ยมาเขากันก็แค่นั้นนะเสร็จแล้วท่านก็บอกโอ้ถ้าจะให้ถวายอาหารฉันก็อย่ารบกวนอาตมาหรืออย่าเบียดเบียนนักเลยท่านฉันเสร็จท่านก็เหาะหนีไป เพราะว่าพาหาันทั้งหลายก็คือไม่เห็นว่าท่านจะไม่เคยมีความรู้สึกว่ารูปทั้งหลายเป็นสิ่งที่ดีคือธรรมเนี่ยนะเขาจะมีธรรมแบบปริตตารูปทั้งหลายเป็นปริตตารูปทั้งหลายถ้าเปรียบกับฌานแล้วไม่ได้เสดเสียวอะไรของฌานเลยฌานทั้งหลายระดับปฐมฌานก็ไม่ได้มีคุณค่าสูงกว่าฌานระดับสูงขึ้นไปเลยฌานทั้งหลายถ้าเทียบกับโสดาปฏิมักก็มีอะไรประเสริฐกว่าโสดาปฏิมักถ้าระดับโลกิยธรรมแล้วระดับโสดาปฏิมักก็ยังห่างนักแลกับ อรหัตตมรักเนี่ยนะพันนางทั้งสองก็เข้าใจเนี่ยนะทั้งแม่ทั้งภรรยาก็เข้าใจแล้วก็ผู้บิดาก็ไม่ต้องห่วงเพราะเห็นอริยสัจอยู่แล้วทั้งทั้งหมดก็คือเห็นอริยสัจหมดเลยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีบุญมากเนี่ยนะเห็นอริยสัจทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งลูกสะพ้ยบรรลุธรรมกันหมดเลยก็เลยเป็นอุบาสิกาที่คือเรียกว่าเป็นผู้มีบุญนะนะเกิดถูกยุคถูกสมัยด้วยตัวเองก็สั่งสมบุญมาดีด้วย ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงชี้แจงให้มารดาบิดาและพระยาเก่าของท่านพระยสสะเห็นแจ้งสมาทานอาจหารรา่าเริงด้วยทำมีกระถาพระองค์ก็แสดงทำให้ฟังอีกเสร็จแล้วก็ลุกจากอาสนะเสด็จกลับไปสหายครือัด ส, สี่คนของท่านยาสะก็คือใครวินมละสุภาหุปุณณชิและก็ความปฏิสีองค์เนี่ยพิเศษมากเป็นมหาสาวกด้วยเป็นมหาสาวกผู้ใหญ่มากเลยนะที่บวชเข้ามาแล้ว วิมลสุภาหุปุณณชีและก็ความปฏิเนี่ยสี่ท่านเป็นบุตรเศรษฐีสืบสืบมาในพระนครพารณาสีเป็นไม่ใช่เป็นเศรษฐีธรรมดานะเป็นเศรษฐีเก่าแก่ที่ร่ํารวยมากเลยได้ทราบว่ยายะสกุลบุตรปลงผมและหนวดนุ่งหม่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วได้ข่าวว่าเพื่อนบวชไปแล้วเหมนกันคนดังบวชนี่มันก็ดังมากเลยแป๊บเดียวมันก็กระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วทราบดังนั้นก็คิดว่าธรรมวิไน และบรรพชาที่ยศะะกุลบุทปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนคือคือต้องเป็นธรรมวินัยชนิดพิเศษแนะ่ปกติไม่น่าเป็นไปได้ที่จะบวชงนั้นนะไม่น่าเป็นไปได้แสดงว่าทายาสนี่พื้นฐานนั่นเป็นคนฉลาดมากฉลาดแค่ไหนฉลาดแค่นั่งฟังธรรมแลบรรลุเลยอ่ะ กว่าเราเป็นล้านพันหมื่นล้านโกรธล้านเท่ากันแล้วกันว่าเราก็นั่งไม่รู้กี่อาสนะแล้วก็ยังเท่าเดิมเนี่ยนะก็สูตรเดียวกันที่ท่านฟังเราก็ยังนั่งอยู่ที่เก่านี่แหละกลับไปกลับมาวนๆมันห่างกันขนาดนั้นอนะ่ะท่านมีปัญญามากก็เลยเอย้เพื่อนเก่าก็มาคิดว่าเอ้ถ้าขนาดขนาดออกบวชได้ในศาสนานี้ศาสนานั้นคงไม่ธรรมดาแน่นอนก็เลยพากันเข้าไปหาพระยศะอภิวาทยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะไปเยี่ยมเพื่อนนะไปเยี่ยมพระเพื่อน ท่านพระยาศาก็พาสหายทั้งสี่นั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสหายเครือหัดของข้าพระองค์สีคนชื่อว่าวิมาละสุภาหกปุณณิชและความปติเป็นบุตรของสกุลเศรษฐีสืบสืบมาในพระนครพารณสีขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานโอวัสสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอนุปุธิคติแก่พวกเขาคือทรงประกาศทานกถาศีลกถาศักฆกตาโทษความต่ําซามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอ น, นิสงค์ของเนคขมมะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนมีจิตปลอดจากนิวรมีจิตเบิกบานมีใจผ่องใสก็ประกาศอริยสัจธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือ ทุกสมุไทยนิโรธมัดดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลรู้แต่มีความดับไปเป็นธรรมดาก็ได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาณนะที่นั้นแลดดผ้าสะอาดปราศจากมนทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้น พวกเขาได้เห็นธรรมะคืออริยสัจแล้วเนี่ยนะได้บรรลุธรรมะคืออริยสัจแล้วได้รู้ธรรมยำเจ็มแจ้งแล้วมีธรรมะอันยังลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสัยถึงเป็นผู้แกล้งกล้ า, ลาไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระาศาสดาได้กราบทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข่าขอพวกข่าพระองค์พึงได้บรรประชาพึงได้อุปสมบท ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าสมัยนั้นผู้ที่บวชไม่ต้องขออนุญาตมารดาบิดาเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสุดโททนะยังไม่ได้ขอพรนั้นใครขอบวชให้บวชหมดพระองค์ก็เลยตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดดังนี้แล้วก็ตรัสต่อไปว่าธรรมะอันเรากล่าวดีแล้วพวกเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทําที่สุดแห่งที่สุดแห่งวัตถุทุกโดยชอบเธอถ้าเป็นพท่ารหารก็บอกว่าเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เถิด แต่ถ้าเป็นพระเสขาอยู่ก็บอกว่าประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทาที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดพระวาจานั้นแหลก็เป็นอุปสมบทของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประทานโอวาสสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมมีกาถาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาสสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมมีกถาจิตของท่านเหล่านั้นก็พ้นแล้วจากอาสวะเพราะไม่ถือมัน่น สมัยนั้นก็มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก11บอองเนี่ยนะสบองค์ก็คือเจดบวกสก็เท่ากับ11เอดนี่ยนะก็คือพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ปัญจวัคคีย์อีกห้าองค์ยะและสหายอีกห้าองค์ก็รวมเป็น11เอดนี่ยนะสหายครหัตของท่านยะเป็นชาวชนบทจำนวนอีกห้าสิบคนเป็นบุตรสกุล ส, สืบสืบกันมา แสดงว่าน่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันเนะเพื่อนร่วมรุ่นร่วมสถาบันร่วมสถานศึกษาเรียกว่าเป็นลูกเศรษฐีใหญ่ให่อยู่ในเมืองพารันสีเนี่ยอยู่5คนด้วยกันเศรษฐีใหญ่เลยนะเศรษฐีกลุ่มอื่นนี่ก็มีแต่ว่าลูกเศรษฐีใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่5้าคนแล้วก็มีเศรษฐีตามระแวกชนบทเนี่ยนะตามอำเภอต่างๆตามจังหวัดต่างๆอยู่ใกล้เคียงเนี่ยนะอีก50คนแสดงว่าจบสถาบันเดียวกันมา พอได้ทราบว่ายศักด์กุลบุตรปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วครั้นทราบอย่างนี้แล้วก็คิดว่าธรรมวินัยและบรรพชาที่ยศกุลบุตรปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตแล้วนั้นน่ะคงไม่ต่ําสามแน่นอนดังนี้ก็เข้าไปหาท่านพระยะถวายอภิวาทแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ท่านพระยาศาก็พาสหายทั้งห้สิคนเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งนั่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าสหายเครือขัดของข้าพระองค์นี้เป็นชาวชนบทเป็นบุตรของสกุลสื บ, ส, บสืบกันมาขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทานโอวาสสั่งสอนสหายของข้าพระองค์เหล่านี้เถิดสมัยก่อนเขาจะใช้คําว่ากุลบุตรกุลบุตรก็คือคําว่ากุลบุตรนี่มีอยู่สองสองอย่าง คือกุลบุตรโดยชาติตระกูลเนี่ยนะคือคนที่บวชสมัยพุทธกาลเนี่ยนะโดยมากเป็นคนมีชาติตระกูลทั้งหมดเลยมีอยู่น้อยเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่ใช่กุลบุตรเนี่ยนะที่ที่เรียกว่าเป็นคนวันณะล่างเกรดล่างๆมาบวชเนี่ยน้อยมากโดยมากก็มีแต่คนพวกผู้มีบุญทั้งหลายก็บอกว่าผู้มีบุญเนี่ยเขาวัดกันด้วยอะไรเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าจิตรกรผู้ฉลาดภาพที่วาดออกมาจะเป็นภาพชั้นเลวไหม ไม่ฉันใดโดยมากผู้ที่ทําบุญแล้วติเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะบุญที่นําเกิดโดยมาการูปร่างจะดีแล้วก็ชาติตระกูลจะสูงเพราะว่าบุญเก่าที่นําเกิดมาดีส่วนพวกยาณวิปยุทธทั้งหลายโดยมากก็ชาติตระกูลต่าเป็นต้นเนี่ยนะชาติตระกูลต่ํารูปร่างก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีเป็นต้นอันนี้ก็ด้วยเขาบอกว่าสังเกตจาการูปร่างชาติตระกูลเป็นต้นก็พอจะดูได้คร่าวๆ ว, ว่าโดยมากยาณสัมปยุทธเนี่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงอนุปุทธกถาแก่พวกเขาทั้งห้าสิบคนนะพระองค์ก็ประกาศทานากถาศีลากกถ า, าสัตถากถ า, าโทษความต่ํำสามความเศร้ามองของการมทั้งหลายและอ น, นิสง์ของเนคขมมะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าพวกเขามีจิตสงบมีจิตอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วก็ทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์ ทุกขสมุทัยทุกขานิโรธและทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาดวงตาเห็นทาอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแก่พวกเขาผู้นั่งอยู่ณที่นั้นนั่นเองดุดผ้าสะอาดที่ปราศจากมณทินควรได้รับน้ำย้อมเป็นอย่างดีฉะนั้น พวกเขาได้เห็นทำแล้วบรรลุธรรมแล้วอย่างรู้ธรรมได้แล้วนี่นะรู้ธรรมอย่างแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมะอันอย่างลงแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศ า, าสดาได้กราบทูลคํานี้ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์พึงได้บรรประชาพึงได้อุปสมบทในสํานักของพระผู้มีพระภาคเจ้า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 พระภิกษุรุ่นหลังๆมานี่จะบวชกี่ร้อยรูปก็ชต้องมากราบท่านเหล่านี้ทั้งหมดเนยนะเพราะว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่บวชรุ่นแรกๆเลยนะเป็นประธานสงฆ์เลยแหละจะอยู่ที่ไหนก็เป็นประธานของพระอรหันต์เลยแหละต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประธานโอวาทสั่งสอนภิกษุเหล่านั้นด้วยธรรมีกระถาก็คือประกาศอริยสัจโดยนยิยตต่างๆ เป็นต้นนะนะเช่นเธอจงละสิ่งนี้เธอจงเข้าถึงสิ่งนี้เธอจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนี้เป็นต้นเ น, นะท่านเหล่านั้นก็สามารถพิจารณาอริยศาสตร์ตามที่พระองค์แนะนําก็ตรัสรู้หมดเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานโอวาสสั่งสอนภิสูจนเหล่านั้นด้วยธรรมีกถาจิตของพิสูจนเหล่านั้นก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นสมัยนั้นมีพาดหันเกิดขึ้นในโลก1กสิบเอ็ดองน ะ, นะ61องดอทัวในครั้งใครบ้าง พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งปัญจวคัคคีอีกห้าพระยส ะ, ะกับสหายอีกห้าสิบห้าเนี่ยนะก็รวมกันทั้งหมดอนะหสิบห้าก็เท่ากับหกสิบเอ็ดในโลกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับพิสูจนทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรานี้พ้นแล้วจากบ่วงบ่วงก็คือฉันทราคะเนี่ยนะก็คือฉันทราคะนี่ถือว่าเหมือนบ่วงเรานี้พ้นจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คําว่าบ่วงก็คืออะไรบ่วงก็คือถ้าบ่วงของมนุษย์บ่วงของทิพย์เป็นต้นก็ฉุดคล้องลงไปไหนฉุดไปอบายเป็นต้นบ่วงเหล่านี้พ้นแล้วก็เรียกว่าตัดบ่วงเสร็จแล้วบ่วงของมารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกเธอจงเที่ยวจารียกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปร่วมทางเดียวกันสองรูปให้ไปทางละรูปเพราะฉะนั้นเมื่อเธอไปแล้วก็จงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมาจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะครบบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยมีอยู่เขาเหล่านั้นเพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้ที่รู้ทั่วถึงทำจากนี้ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมอันนี้ก็เป็นช่วงไหนช่วงออกพรรษาเนี่ยนะก็แสดงว่าจนออกพรรษานี้ก็มีภาดหันเกิดขึ้นหกสิบเอ็ดรูปเนี่ยนะในพุทธวงศ์หน้าห้าสิบสองบอกว่า คือเมื่อมีพาดหันหกสิบรูปอย่างนี้แล้วออกพรรษาปวารณาพราะองค์ก็ตรัสเรียบพิสูจทั้งหลายมาตรัสดังนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพวกเธอเมื่อบำเพ็ญ ป, ประโยชน์ตนและบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นจงเยกกันเที่ยวธรรมจาริกแก่มนุษย์ทั้งหลายตลอดแผ่นดินนี้ก็แปลว่าเที่ยวธรรมจาริกเรียกว่าจาริกโดยธรรมไม่ใช่ตันหาจาริกเนี่ยนะก็มีหลายประเภทนะมีตันหาจาริกมานะจาริกอะไรเป็นต้นหลายอย่าง แต่ตรงนี้หมายว่าก ja ouais, <Right. S 1> ุศลธรรมพาจาริกเนี uh ่ยนะพาจาริกเพื่อประกาศอริยสัจธรรมเนี่ยนะประกาศอะไรว่าจาริกเพื่อแสดงอริยสัจเพื่อให้หมู่สัตว์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังอริยสัจเมื่อประกาศสัจธรรมของเราแก่โลกเนืองนิดก็จงอยู่เสียในที่ป่าเขาอันสงัดเมื่อไปเที่ยวประกาศอริยสัจธรรมนะประกาศโพธิปัจฉิยธรรมแก่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย ก็ให้อยู่ในที่หลีกเร้นนะอยู่ในที่เงียบเนี่ยนะอยู่ในป่าอยู่ในเขาเพราะว่าคนที่ไปอยู่คลุกคลีเลยจริงๆก็ไม่ค่อยมีผลเน่นะนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในที่หลีกอยู่ในที่เร้นอยู่ในที่เงียบอยู่ในที่สงบแล้วก็ประกาศโพทธทิปัขยะธรรมดูก่อนพิสูจทั้งหลายพวกเธอเมื่อทาหน้าที่พระธรรมทูตก็คือผู้นาพระธรรมไปเนี่ยนะ คำว่าธรรมทูตก็คือผู้นําพระธรรมไ ป, ำำไปนำธรรมไปนําอะไรก็นําวิธีการกําหนดรู้ทุกนําวิธีการละสมุ ท, ทยัยนําวิธีการทํานิโรธให้แจ้งนําวิธีบอกข้อปฏิบัติในการเจริญอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาเอ่อนำวิธีการเจริญสมถวิปัสนาเพื่อรู้แจ้งในอริยสัจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเธอชื่อว่าธรรมทูตผู้นําธรรมะไปก็จงปฏิบัติด้วยดีซึ่งคําสอน ของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเธอไปแล้วเธอก็ไม่ปฏิบัตินะไปสอนให้แต่คนอื่นปฏิบัติแล้วเธอก็ไม่ทําเลยก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเธอก็จงปฏิบัติด้วยดีซึ่งคําสอนและก็สั่งสอนเขาเนี่ยนะก็ไปสั่งสอนเขาก็คือสั่งสอนใครสั่งสอนประชาชนทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่สันติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อสงบทุกข์ของสัพพะสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าหลายท่านในนั้นก็ เ, เป็นผ้าอรหันอยู่แล้วนะจริงๆท่านเหล่านั้นก็เป็นผ้าอรหันอยู่แล้ว แต่ก็พระอาหารก็ยังใส่ใจมนาสิการในคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมเพื่อสติสัมปชัญญะเป็นต้นแต่ท่านเหล่านั้นก็แสดงอริยสัจธรรมประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเพื่อประโยชน์ก็คือประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ตรงนี้เน้นพิเศษคือประโยชน์แก่สันติก็คือแนะนําข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ พระนิพพานให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเธอไม่มีอาสวะบัดนี้ทุกท่านก็เป็นพาะอาหา์กันหมดแล้วทั้ง6กบรูปเนี่ยนะจงช่วยปิดประตูอบายทั้งสิ้นเสียทุกประตูไปไล่ปิดประตูอบายให้ทุกคนนะ ประตูอาบายเปิดที่ไหนเปิดที่กายวาจากับใจเนี่ยนะพันช่วยปิดประตูอาบายตรงกายวาจาใจของเขาเนี่ยนะให้เขาเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมช่วยให้เขาเว้นจากคําเทศคําหยาบคำส่อเสียดคำเพอร์เชอร์ให้เว้นจากเขาละอภิชาละพยาบาทละมิจฉาทิฐิก็คือให้เขาเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลทั้งหลายเว้นจากเว้นจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายทางกายและวาจาเนี่ยนะ เกราวเจตนาวิรัติความชั่วทางกายและวาจาเจริญอนาพิชาเจริญอัพยาบาทแล้วก็เจริญสัมมาทิฏฐิกุศลกรรมบดเหล่านี้เป็นการเปิดประตูสวรรค์ให้แก่เขาเมื่ออยู่บนพื้นฐานของความสุดจริตทั้งสมคือกุศลกรรมมบดสิบเรียกว่าสุจริตสามเหล่านี้แล้วก็แนะนํมมะาสมถะวิปัสนาเพื่อประโยชน์แก่อริยมรรคมันก็ช่วยเปิดประตูอริยมรรคเปิดประตูอริยผล ช่วยให้เขาได้เจริญคุณธรรมเนี่ยนะช่วยละอกุศลกรรมบทเจริญกุศ ล, ลกรรมบทเจริญสมถาวิปัสนาเพื่อบรรลุมรรผลต่อไปเพราะฉะนั้นช่วยเขาหน่อยนะเพราะงั้นเน้นเอาไปช่วยเขาหน่อยพวกเธอจงมีคุณมีความกรุณาเป็นต้นเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายเวลาไปอยู่ณที่ใดอย่าทิ้งพรหมมิหาราให้อยู่ด้วยพรหมมิหารอยู่ด้วยพรหมมิหารก็คืออยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยกรุณาเป็นต้น อน น, นให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีทุกข์อยู่นะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ไปช่วยปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากทุกข์เพราะว่าเขาเป็นผู้มีทุกข์อยู่คือทุกข์ไหนก็ทุกข์ในวัตตะเป็นต้นเมื่อเห็นเขาเนี่ยเป็นผู้อยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์ช่วยปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากทุกข์ด้วยกรุณาขณะเดียวกันก็จงมีเมตตาเนี่ยนะข้างบนเนี่ยที่กล่าวไปแล้วว่า นำพระสัทธรรมไปให้แก่เขาทําหน้าที่เป็นธรรมทูตสั่งสอนเขาช่วยปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์เป็นต้นอันนั้นเป็นเมตตาเนี่ยนะแล้วก็ช่วยให้เขาพ้นจากวัตถทุกข์ทั้งหลายก็เป็นกรุณาเธอจงเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูนความเชื่อแก่ชาวโลกทุกประการด้วยการเทศนาและด้วยการปฏิบัติเธอจงเพิ่มพูนญาณะให้แก่เขาด้วยการแสดงธรรม เพราะว่าเมื่อเธอทั้งหลายแสดงธรรมแล้วเขาจะมีความรู้มีสุตตามายญาญนจินตามายญาญานแล้วก็มีภาวนามายญาญนแต่ทีนี้เพื่อความเลื่อมใสของเขายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอก็ต้องอยู่ด้วยการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติของเธอเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสการแสดงธรรมแห่งเธอเป็นที่ตั้งแห่งความรู้เพราะนความรู้เกิดจากการแสดงธรรมความเลื่อมใสเกิดจากการปฏิบัติฉะนั้นขอให้เธอทั้งแสดงธรรมและการ ปฏิบัติดำรงอยู่ในการแสดงธรรมปฏิบัติเขาก็จะมีศรัทธาและปัญญาเจริญขึ้นศรัทธาและปัญญาตัวนี้แหละถือว่าเป็นเป็นการเข้าถึงสารณคมเพราะว่าสารณะคืออะไรสารณะก็คือศรัทธาและปัญญานั่นแหละที่มีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสารณะเพราะฉะนั้นก็เธอจงช่วยให้แสดงธรรมให้เขาเนี่ยถึงสารณะถึงสารณะมีการสมาทานศีลเป็นต้นนั่นเอง